ผู้โทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะอากาศเย็นเย็นชื่นใจดีในมุมหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็อาจทำให้เราป่วยไข้ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกระทันหัน ร, ร่างกายอาจปรับตัวไม่ได้รักษาสุขภาพกันนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เวลาของรายการสรนนีสนทนาสันนิษฐานพง์ดเนินรายการพระมหาภบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายศูดรนธานีเป็นผู้ที่จะนาพุทธพจน์นะคะมาคลี่คลาย ความสงสัยของเราในเรื่องเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธองค์และการดําเนินชีวิตของทุกท่านค่ะไปกราบน้องสกการท่านกันเลยนะคะน้องสกการกับท่านค่ะเียญปอนค่ะในเรื่องของธรรมะพระพุทธเจ้านคุณโยมติวแต่ไม่มีคําหนึ่งที่ที่พุริชจาบอกไว้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เปิดธรรมเอาไว้แล้วนั่งคือธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดเอาไว้แล้วและเปิดไปแล้วแต่เพราะนั้นที่หมายความว่าเปิดธรรมะเปิดธรรมะเนี่ยคือไม่ใช่ว่า แใครจะไปเปิดธรรมะได้อีกเพราะว่าพระบริชาเปิดเผยไว้แล้วแต่สิ่งที่ควรจะต้องทำความเข้าใจไว้คําว่าเปิดธรรมเปิดธรรมเนี่ยหมายถึงว่าธรรมะเนี่ยจะมาเปิดจิตใจของเราออกนะเปิดออกจากอะไรเปิดออกจากอวิชชาที่มันปิดบังเอาไว้เดวบางทีเราจิตใจเรามีแบบความคลือบแคลงความงงเงินหรือว่าความที่แบบถูกอวิชชาบังเอาไว้เดีพอได้ฟังธรรมะอามันเปิดออกเดธรรมะนี่คำว่าเปิดธรรมเนี่ยก็หมายว่าธรรมะเนี่ยเปิดใจของเราเปิดอวิชชาออกให้มันสว่างให้มัน จ่มแจ้งขึ้นมานั่นเองค่ะ ซ, ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เปิดตรงนี้นแสดงธรรมในลักษณะที่จะเปิดอวิชาของเราออกได้นั่นเองนะคะเปิดความไม่รู้ใช่เปิดอวิชาออกค่ะแล้วส่วนอาตมานี่ก็ามาพูดตามที่พระพุทธเจ้าได้เปิดเอาไว้มาพูดตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เจนอนจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะกราบเรียนสนทนา ต่อจากเรื่องเมื่อวานนี้ที่ได้เรียนถามท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิว่าจาเป็นไหมสำหรับการที่จะไปตามคําสอนของพระศาสดาจนถึงที่สุดท่านเบญุลก็บอกจาเป็นแล้วก็ได้อธิบายเยอะแยะมากมายและท่านก็บอกวาอ่าสำคัญอยู่ที่เราเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะที่จะลดละเลิกใ ช, ใช่ไหมคะใช่ สิ่งที่เป็นอกุศลใช้คํานี้เลยได้ไหมคะถูกต้องถูกต้องค่ ะ, ะขึ้นอยู่กับว่าเรามีกําลังมากพอหรือไม่ถูกต้องที่เรียกว่าเป็นพละอืก็ท่านอธิบายมาว่ากําลังนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคะเอ่อถ้าถ้าเราก่อนที่เราจะพูดถึงว่ากําลังกําลังเนี่ยเรามาดูในในชีวิตประจําวันของเราก่อนค่ะอยงเช่นว่าสิ่งที่มีความเร็วเท่ากันสิ่งที่มีความเร็วเท่ากันเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะกับ ลถสิบล้อชนกันเนี่ยความเร็วเท่ากันทําไมมร์ไซคเละแต่แต่สิล้ อ, อนี้ไม่เป็นไร แ, แต่ตั้งแต่ที่ความเร็วเท่ากันหรืออุณหภูมิเท่ากันแต่อุณหภูมิและความเย็นอุณหภูมิเช่นว่า12องศาที่ประเทศไทยกับ12องศาที่ต่างประเทศที่นอร์เวย์ที่อังกฤษเนี่ยมันเย็นไม่เท่ากันแต่ความหนาวนี่มันมันต่างกันหรือว่าทําไมแสงสว่างเนี่ยอย่างตอนเพลอฟเพล๊อรเพลเนี่ยนะคุณยมถึงถ้าเราสังเกตดู หลจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือกลางคืนเป็นกลางวันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูนาฬิกาเนี่ยเ้เราจะไม่รู้ว่าไอ้พรพอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกกันแน่แต่บางที่เราเราบอกไม่ได้มันบอกยากหรือว่าเรามาเคยเดินไปขึ้นเขาดอยสุเทพเนี่ยในะระหว่างขาขึ้นกับขาลงนะตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเราเดินขึ้นไปคนเดินสวนลงมาเนี่ยคนเดินสวนลงมานี่ที่ความสูงเท่ากันแหมเขาเดินตัวปลิวเลยไอเราเดินขึ้นไปนี่โหเหนื่อยแทบแย่แต่ความสูงเท่ากัน พูดตรงนี้เพื่อต้องการเปรียบเทียบว่าระหว่างที่เรามีผัสส ะ, ะผัสสะที่เราจะตัดสินใจได้ ว, ว่าเราจะทำดีหรือเราจะทำชั่วนะทาชั่วในที่นี้ก็คือแบบตามความไม่ดีไปใช่กินมากบ้างซื้อของที่ไม่จำเป็นบ้าง น, นอนต่อบ้าง น, นี่ความไม่ดีหรือว่าเราจะทำความดีเช่นตื่นขึ้นทันทีนหักห้ามใจรู้จักประหยัดมัธยัสถ์เป็นผู้ที่กินน้อยนอนน้อ ย, อยทงานมากอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย แล้วนจากนี้เนะี่ยคุณโยมติ๋วมันมีเรื่อง เ, อเขาเรียกว่าอะไรล่อลวงยั่วยวนมากมายน ะ, ะอินเทอร์เนต็ตอย่างเงี้ยคุณนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทีหนึ่งอา้าวหายไปแล้วสามชั่วโมงแลจะทําอะไรอะ่ะก็เล่นอินเทอร์เนต็ตธรรมดาเนี่ยไม่ได้ทํางานเลยเงี้ยอา้าวไปเรื่องใหม่ไปละแล้วบางคนติดเกมติดเฟซบุ๊กเนีแล้วก็งานการไม่เดินแทนที่ว่าจะทํางานเฮ้ยทาไมมันถึงไหลไปตรงนั้นก็เยเหมือนกับเวลาที่จิตใจเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลง และอะไรมันผลักอะไรอะไรจะชนะอะไรซึ่งตรงที่จะเป็นกําลังให้เราพุ่งสูงขึ้นเป็นกําลังที่ให้เราชนะเจ้าพวกกิเลสชนะสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมชนะเครื่องล่อลวงชนะตัณหาให้พวกนี้ได้เนี่ยก็คือธรรมะนั่นเองแต่ธรรมะหมดไหนถ้าเราจะพูดรวมเปหมดเลยก็คืออริยมรรคโยงแปดแน่นอนแต่มันก็เป็นไปตามเส้นทางนี้เราจะเอาเฉพาะให้เฉพาะเจ่อจงในนหมวดธรรมที่เป็นกําลังกําลังลรงนี้นะกําลังนะบ๊พพุทธเจ้าเช้คําว่าพละ หนาะพะละคือกำลังแล้วเราพูดถึงในโพธิปัจญยธรรมเนะี่ยมี3าจ็ดอย่างเนี่ยจะมีพะละห้าด้วยเนะี่ยจะมีอินรี่ห้าด้วยหนาะพะละหก็มีนะอินทรี่ห้าก็มีนะพะละตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ทําให้เราชนะได้นะไปได้แล้วคุณจะทําได้เร็วหรือได้ช้าเนะี่ยก็อินสี่เนะี่ยอินทรี่ห้าซึ่งมันก็คือคุณธรรมชุดเดียวกันนาะพะละหก็มีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาอินทรี่ห้าก็มีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญา เพราะนั้นสันธามิตรยสติสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราพกไปใช้ได้ตลอดทุกวันท่านนะคะเมื่อกี้ท่านบอกว่าอินทรีย์กับพระเนี่ยมันเหมือนกันประกอบไปด้วยห้าห้าธรรมนะมะนี่เหมือนกันถูกต้องงั้นอินทรีย์กับพระถ้าคิดแบบคณิตศาสตร์คือสิ่งเดียวกันถูกไหมคะสิ่งสิ่งเดียวกันแต่ว่าเอาไปใช้ในคนละลักษณะนะใช้ในลักษณะที่จะทาให้เดินหน้าต่อสู้กับกิบกเลสได้ นี่เป็นกําลังของเราต้อเรียกว่ า, า, วาพละพละใช่แล้วถ้าเป็นอินซีใช้ในกรณีอะไรคะความเร็วในการละความเร็วในการวางอินซีคือความเร็วในการละความเร็วในการวางใช่ความเร็วในการรู้ธรรมนั่นเองอ๋อดังนั้นวันนี้เราจะพูดเฉพาะในส่วนที่เป็นกําลังที่จะทําให้เราชนะกิเลสได้ถูกต<ร>้องค่ <ขา S 1> ะแต่ว่าตรงจุดที่เราจอกันนี้อย่ามันคือขาขึ้นแต่จุดที่เราจอกันนี้คือวันอาที่ขึ้นจุดที่เราจอกันนี้ก็คือตอนที่น้ําขึ้นแต่ไม่ใช่จังหวะที่มันขาลง เนี่เราจะร่วมเป็นขาขึ้นได้เนี ก, ก็ต้องไปตามทางน่ยคือศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาและ่ศรัทธาคือความมั่นใจแต่คือความมั่นใจความมั่นใจในที่นี้คือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านีกก่ยคือความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจเนีกก่ยคือศรัทธาแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงมีความรู้จริงเนี่ยคือศรัทธาตรงนี้ถ้าเปลว่ามีอยู่แต่ถ้ามันเป็นลักษณะหัวเตา่าในหัวเต่าคือผูผูปโผลโผล เดวหัวเต่าคือบางครั้งบางคราวนะพอเราเจอเรื่องที่น่ากลัวตกใจหน่อยนะเอากอา็พึ่งอะไรที่มันไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าะนะาสมัยก่อนนี่เขาพูดถึงเรื่องราหูนะก็ตามราหูไปสมัยถัดมาเขาเรื่องจตุคามก็ตามจตุคามไปนะเขาไปเรื่องอะไรก็ตามไปนั่นะมันก็คื อ, อหัวเต่าอยู่ค่ะท่านคะแต่ทีิท่านกลังจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ไงคะพวกะเขาไม่รู้ว่าต้องศรัทธาพระพุทธเจ้าอย่างไร อหรือเขาก็คิดเพียงแต่แค่ว่าศรัทธาพุทธเจ้าก็เรื่องศรัทธาพุทธเจ้านะแต่ในยามที่มันร้อนนะในยามที่พระลาหูปรากฏกายแล้วอืต้องไปหาพระราหูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านค่ะอที่ดีที่ัพูดก็คือว่าไม่ต้องบอกให้คนที่ยังทําอยู่เช่นนั้นเนี่ยได้รู้ว่าท่านต้องหาความรู้เพิ่มนะ่ะใช่ใช่ใช่ต้องต้องมีความรู้เพิ่มคือคือไม่ใช่ว่าการที่ไปหาพวกนั้นมันไม่ดีนะคือถ้าเราเปรียบเทียบอมันก็จะมีสามระดับ ระดับแรกเนี่ยก็คือไม่มีที่พึ่งอะไรเลยไม่ได้มีความเห็นที่ผิดไปเลย่ะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีชาติหน้าไม่มีตายแล้วจบจบกันคนแบบนี้นี่แยกที่สุดจะทําชั่วทําบาปอะไรได้แบบไม่มีความละอายคนที่ถัดมาอย่างน้อยก็ยังมีที่พึ่งเอาต้นไม้เป็นที่พึ่งเอาป่าเป็นที่พึ่งเอาสิ่งของเอาหินปูนทรายเป็นที่พึ่งอันนี้ก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ยังมีที่พึ่งที่ระลึกถึงแต่ที่พึ่งนั้นจะไม่เกษม ที่พึ่งนั้นจะไม่อุดมคนที่เป็นมีที่พึ่งแบบนี้จะพ้นไปจากทุกข์ไม่ได้อันนี้เป็นพุทธพจนเลยนะที่พึ่งนั้นไม่เกษมที่พึ่งนั้นไม่อุดมคนที่มีที่พึ่งแบบนี้จะพ้นไปจากทุกข์ไม่ได้นี่คือระดับที่สองแลถ้าระดับที่3ดีที่สุดนั่นก็คือมีที่พึ่งอันเกษมมีที่พึ่งอันเกษมคืออะไรนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะอะไรเพราะบุคคลที่เมื่อมีที่พึ่งอย่างนี้แล้วรู้อริยสี่ด้วยปัญญาชัดเจนนั่นคือจะทําความพทุกได้ บนตุ้กแบบเกษมด้วยนะอ่านี่คือสามระดับแปลงก็คือไม่ใช่ว่าว่าคนที่มีที่พึ่งระดับที่สองว่าไม่ดีอย่างน้อยก็ยังดีกว่าระดับที่สามแล้วก็อย่างที่คุณยมติวว่านั่ยแหละว่าก็มีทําการศึกษาให้เพิ่มขึ้นไปว่ามันมีที่พึ่งที่เกษมที่อุดมกว่านี้อยู่ค่ะอันนี้คือข้อที่1ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านแล้วล่ะว่าต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์หรือไม่เพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ใช่ไหมคะว่าถ้ายังไม่พบที่พึ่งเงินเกษมเนี่ยยังพ้นจากความทุกข ไม่ได้คือทุกยังมีแบบแฝงเหมือนปนปนมาเพราะเรามีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่อใจในคําสอนของพุทธาแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าไงทางนั้นเป๊ะนะไม่มีแบบเลี่ยงบาหลีหรือว่าเลี่ยงกฎหมายไม่มีนะว่ายังไงทําอย่างนั้นนะเช่นว่าว่าอา้ามีสัมมาวาชานะเราก็ไม่ไปพูดเสศษสีไกลให้มีสัมมาสังกปปะนะเราก็ไม่ไปคิดแบบจิจะคนนั้น ทำไมไม่คิดไม่ทําก็เชื่อพระพุทธเจ้าเต็มที่เลยนะมั่นใจละ่ะไอการกระทําตรงเนี้ยคือการทําจริงแน่วแน่จริงค่ะไม่<ล> ไ, มไปพูดให้ใครก็แตกกันใช่พยายามพยายามที่จะทําจริงเลยพยายามที่จะแน่วแน่จริงในใอะไรในทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ขยันขันแข็งทําหน้าที่การงานอารู้สึกตัวปุ๊ก็ลุกขึ้นทันทีไม่ขอต่อยง่านัดดีสิบนาทีก็มั่นใจตรงนี้แสดงว่าคุณมีความทําจริงแน่วแน่จริง นะความกล้าตรงนี้วีระเนี่ยนะวิริยะเนี่ยมาจากคำว่าวีระคุณโยมเติวเนีซึ่งหมาย oh, <okay. S 1> ถึงความกล้านะความกล้ากล้าที่จะอะไรกล้าที่จะทําทํำไมคุณถึงกล้ามั่นใจด้ดนะิมั่นใจจึงกล้าที่จะทำํำวิริยะเนี่ยคือความเพียรนี่ก็ใช่อยู่อย่างที่เราแปลแปลกันนะคือความ <Okay. S 1> เพียรวายามาอะไรก็นันก็ใช่อยู่ส่วนหนึ่งแต่ทราบที่ไม่ค่อยได้พูดถึงกันคือความกล้า <Okay. S 1> นะความกล้าในที่นี้คือทําจริงแน่แ น, แ น, แน่จริงเป็นคนจริงจังอะ่ะจริงจัง <Okay. S 1> ในเรื่องการปฏิบัติการกระทําตรงนี้ นี่คือวายมะเพราะเรามีความจริงจังมีการทําจริงแน่แน่จริงในการกระทําตรงนี้แล้วคุณจะตั้งสติได้สติที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นกําลังอันที่สามเป็นสติที่เกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพอกินพอใช้นะครัว่าพอกินพอใช้เนี่ยหมายความว่าอย่าน้อยมันยังเป็นที่ให้จิตเราตั้งอยู่ได้นคือสติแบบที่แบบวบๆับวับเกิดเติดติดดับดับมันก็มีนมันก็มีจากการที่แบบบางทีเรา ทำวายมะทำความเพียรไม่พอหรือศรัทธามไม่พอนะคิดได้อยู่แต่เพลินไปซะมากในะบางทีก่อนที่จะเล่นก่อนที่จะเผลอเพลินไปคิดได้อยู่แต่พอเผลอเพลินไปแล้วโห้ยสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงหายไปไอตอนคิดได้มีแค่สองนาทีแรกอย่างนี้มันก็ไม่พอกินไม่พอใช้แตดที่สามที่พูดถึงเนี่ยคือกําลังคือสตินี่คือต้องพอกินพอใช้ในการาที่จะต้านมันขึ้นมาได้ทวนกระแสได้ในเรื่อง ข, ของสติ พอเรามีสติคือการระลึกได้แล้วเนี่ยจิตในการที่มันจะไปอยู่ในแอเรียหรือในไปในโดเมนไปในสิ่งที่มันไม่ดีเป็นอกุศลธรรมมันก็จะน้อยลงพอน้อยลงแล้วจิตใจของเราที่จะมาอยู่ในแดนที่มันดีที่เป็นบวกที่เป็นกุศลธรรมมันก็มากขึ้นนะจิตใจของก็รานะคุณยงติปอสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมันมากขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันน้อยลงเนี่ยจิตใจมันจะสบายจิตใจมันจะก็เรียกว่ามีความเย็นใจสบายใจมีความงอารมณ์ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นปีติ เป็นความอิม่มเอิบใจความสบายใจ ค, คนที่มีปีติเนี่ยก็จะมีความสุขอยู่ในภายในความสุขตรงนี้จะเป็นตัวบอกระดับของสมาธินั่นเอง อ, เอ๋อค่ะยิ่งถ้าสุขลึกมากสมาธิก็ลึกไปตรงนีนะ้เพราะฉะนั้นความสุขตรงนี้เป็นความสุขที่เป็นในภายในนะจะไม่เหมือนกับความสุขเช่นกินอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะจะไม่เหมือนกันเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจชนิดที่ไม่ต้องมีเครื่องร่อเป็นผลจากอะไรเป็นผลจากการที่ เรามีกุศลธรรมมากขึ้นมีอกุศลธรรมลดน้อยลงเอามันมีได้ไงก็เพราเราตั้งสติได้นันะมันพอกินพออยากอยู่อาทําไม่คุณมีสติได้แต่คุณทาจริงมาทํำไมทําจริงก็มีความมั่นใจมันก็ไหลกันมาเรื่อยๆตรงนี้ใช่แตนะ่พอเรามีความมั่นใจทําจริงแล้วมีสติตั้งมั่นนะจิตใจมีความสุขความสุขนั่นเป็นตัวบอกระดับของสมาธินะสมาธิตรงเนี้ยเป็นกําลังจิตในการที่คุณจะเห็นได้ตามที่เป็นจริง นะการที่เห็นได้ตามที่เป็นจริงตรงนั้นคือมันจะตัดตรงนั้นนะเป็นความคมเป็นมีดนี่นะเหมือนเป็นความคมเนี่เวลาผัดสาเกิดขึ้นจอกันอยู่แล้วจะตามตัญหาดีหรือจะตัดมันดนะีความคมคือมีดตรงนี้มันก็ตัดชั่วเลยไม่ไปไม่ทำชั่วนะไม่ไปไม่ดนะีตัดชั่วตรงนี้คือความคมของมีดนะก็ต้องใช้กำลังคือสมาธิด้วยนะกาลังคือสมาธิเนี่ยเป็นเหมือนกับมีอีโตหรือว่ามีดพกละ่ะ แต่ถ้ามีดอิโต้ก็คือเหมือนกับสมาธิมีมากแต่ถ้ามีดพกคือทั้งสองเล่มคมเหมือนกันทั้งสองเล่มคมเหมือนกันความคมนี่คือปัญญาแต่กําลังของมีดเนี่ยมันก็คือตัวสมาธิาตัวนี้พอเรามีศรัทธาวิญญาติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราก้าวไปข้างหน้าได้ค่อยๆ advance ไปค่อยๆเดินหน้าไปเวลามีปัจฉะที่ทําให้ลุม่มหลงก็ไม่ลุม่มหลง น, นไม่เห่อเหิเหมฟุง้งเฟ เวลามีภาษาที่ทําให้โกรธเกลียดเคียดแค้นแล้วก็ตัดได้ไม่จื้จะไม่เคียดแค้นน่ยก็มีแค่รับรู้แล้วก็ตั้งสติได้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนค่ะเนี่ยเราก็จะค่อยชนะไปค่อยชนะไปเดินหน้าไปเดินหน้าไปนะทางที่เราเดินไปเดินไปตรงเนี้ยก็คือมาร์นั่นเองเป็นเส้นทางค่ะคื อ, อ น, นี่ก็เป็นทั้งหมดที่เป็นส่วนของจะทําให้เกิดกําลังใช่ไหมคะอาจารใช่ ท่นคะแล้วต้องเกิดเรียงลําดับตามนี้เลยไหมคะว่าเราจะต้องเริ่มต้นที่มีศรัทธาอย่างแน่แน่ก่อนแล้วก็จะตามมาด้วยความวิริยะต่อมาก็เป็นสติต่อมาก็เป็นสมาธิเกิดไปถึงปัญญาค่ะพ ร, ะระชาเปรียบเทียบเหมือนกับน้ําที่ฝนที่ตกลงบนภูเขาคุณยมเติว <ฮะ S 2> แต่ฝนที่ตกลงบนภูเขาเนี่ยมันก็ทำซอกเขาซอกห้วยซอกผาให้เต็มใช่ไหมพอมันเต็มแล้วมันก็จะทําบึงน้อยให้เต็มบึงน้อยเต็มแล้วก็ทำบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่เต็มแล้วก็ทําแม่น้ำน้อยให้เต็ม ในแม่น้ำน้อยเต็มแล้วก็ทำแม่น้ําใหญ่เต็มแม่น้ําใหญ่เต็มแล้วก็ทำํำมหาสมุทรให้เต็มได้แต่ที่มันก็ไหลเป็นลําดับลําดับหนะมายความว่าสมมติถ้ามันเต็มกันมาเป็นลําดับอยู่แล้วเนี่ยหนะยดหนึ่งที่หยดตรงบนภูเ ข, ขาเนะี่มันก็หยดต่อไปมันก็ไปถึงทะเลทันทีค่ะนะคือคือตรง ท, ทุกวันนี้นะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีน้ำในในระบบเลยนะเรามีแน่นอนนะถ้าบูฟังคุณยมติหรือตัวนมาเองเนี่ยที่มาฟังทำนะที่ใครจะมารู้ทำเนี่ย แสดงว่าต้องมีน้ําอยู่ในระบบอยู่ลวนะวน่ะหมายถึงว่าจิตใจเราต้องมีธรรมะอยู่บ้างนะ่ะเราต้องมีบุญอยู่บ้างไม่งั้นเราเกิดมาเป็นคนไม่ได้น่ะเรามาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดมาเป็นคนแล้วทั้งั้านี่มันยากขนาดนี้เรายัางได้เนี่ยแสดงว่าคุณต้องมีน้ําอยู่ในระบบอยู่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะ่ะมีอยู่นะหยดหนึ่งที่หยดลงบนภูเขาปุ๊บมันก็หยดหนึ่งที่ไปทะเลเพราะฉะนั้นศรัทธาที่เรามีหยดหนึ่งเพิ่มหยดหนึ่งล้วเราก็จะมีปัญญาเพิ่มหยดหนึ่งน่ะมันก็เป็นไปตามราดับก็น้อยมมากกกก็็ััันนนปปรบไ ค่ะนะคะงั้นก็เท่ากับว่าขอให้ปลูกศรัทธาให้ถูกต้องก็แล้วกัน ใ, ให้ไม่ใช่พอเป็นชาวพุทธแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่านอกจากพระพุทธเจ้าเรายัางสามารถที่จะยึดถือใครเป็นที่พึ่งได้อีกใช่ไหมคะเป็นพูดนี้ได้มมันก็จะไม่โดยส่วนเดียวแล้วก็จะมีการปันใจอที น, นี้ไม่ใช่ว่าการปันใจของคุณจะไม่มีผลแล้วก็มีผล คือหมายความว่าไอ้ที่คุณมีในรัพติจมามันก็ได้ผลเป็นปัญญาในการที่คุณจะละวางได้ระดับหนึ่งค่ะเข้าใจการเดินดีฉันปรับเปลี่ยนถามตอนนี้นิดนึงคือเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยกว่าจ ะ, จะเจริญไวมัมากขึ้นมากขึ้นก็มีโอกาสจะรู้จักสิ่งโน้นสิ่งนี้คนโน้ น, นคนนี้มากใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่หรือสิ่งที่น่านับถือศรัทธาเนี่ยก็อาจจะมีในระหว่างทางอแล้วก็มีความรู้สึกไม่เห็นจะผิดเลยไอ้การที่เราจะยกย่องนับถือศรัทธา ใครที่มีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วมาห้ามเราทําไมเราศรัทธาได้อันนี้ศรัทธาได้ไหมคะศรัทธาได้ศรัทธาได้ศรัทธาร่วมงั้นคือหมายความว่าตรงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าไงเพราะว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าวเวลาพระองค์ประกาศธรรมะเนี่ยแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็ตามเราก็ยังยกย่องคําสอนที่มันถูกต้องอยู่แต่อย่างในอดีตมีคําสอนของครูในอีกลับที่หนึ่ง นะบริโภคกว่าเอออันนี้มันดีนะก็ยกย่องคําสอนนั้นนะคือไม่ใช่ว่าต้องชั้นเท่านั้นหรือพวกชั้นเท่านั้นแต่ถ้าอะไรที่มันสอดคล้องลงในมาร์กแอันนี้คือใช่แล้วก็อะไรที่มันดูเหมือนไม่ใช่แล้วคุณก็ไปทําลายเขาอันนั้นไม่ใช่เนะี่ยเช่นเช่นถ้าเราบอกว่าเช่นถ้าบางคนบอกอืมชั้นจะต้องมานับถือพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อย่างเดียวแล้วก็เราก็ไปทําลายพระพุทธรูปหรือทําลายสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่เนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่า ไอ้การที่เรามีความมั่นใจศรัทธานี่มันเครื่องหน่อยจิตนมันเรื่องในจิตคือคื อ, คอดิฉันคิดอย่างนี้ว่าอตัวคนที่จะไปนับถือศรัทธาอะไรเนี่ยจะรู้ว่านับถือศรัทธาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้แค่ไหนยอย่างไรอืมคือเหมือนกับว่าอที่เรายังเคารพนับถือศรัทธาสิ่งนี้เนี่ยเรานับถือเท่านี้แต่เราไม่ได้นับถือเป็นเครื่องพ้นออกจากถูกใช่ใช่ใช่ใช้ใชบทเรียนชนะนี้จะเนียบมากใช่ ก็คือว่า um. ถูกต้องเชิงเราเคารพผู้ใหญ่คนนี้เพราะว่าเขามีเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนดีมีศีลโอ้เราเคารพได้แน่นอนนะ s u s c สไครสเป็นผู้ที่มีเมตตาโอ้โหไม่มีประมาณทำไมจะไม่ดีแต่ถ้าจะเรื่องพ้นทุก์ให้เข้าถึงนิพพานนะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องศรัทธาพระพุทธเจ้าและสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนทรงรับรองใช่ทรงรับรองเอาไว้ก็คือว่าต้องเดินแนวนี้ห้ามออกนอกแนว ถูกต้องถึงจะบรรลุผลไม่งั้นแผนที่จะผิดแผนที่จะผิดคบางคนมีแผนที่อ่านกับหัวอีกก็ผิดอีก็ตออ่านให้มันถูกทางด้วยงั้นพอศรัทธาถูกปุ๊บทีเนี้ยความเพียรมันจะเกิดถูกไหมคะถูกต้องเมื่อศรัทธาเราศึกษาคำสอนเราก็รู้สึกว่าโหวะน่าเชื่อถือทําตามขยันขันแข็งที่จะมีความกล้ามีความกล้าตรงตรงนี้นิดหนึ่งก็ยมติวถ้าเปลว่าเรามี เราคิดว่าเรามีศรัทธาแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เกิดการกระทํานะแสดงว่าศรัทธาคุณยังไม่เต็มอย่างแสดงว่าคุณไม่ได้รียว่าอันนั้นไม่ใช่ศรัทธานั้นเป็นความอาจจะเป็นความเลื่อมใสอาจจะเป็นความลงใจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ศรัทธาล่ะศรัทธาต้องนําไปสู่การกระทําถูกต้องนั่นจึงเรียกว่าศรัทธาจริงการกระทําในที่นี้คือการปฏิบัติตามธรรมไหมคะถูกต้องคือวิริยะนั่นเองนกล้าที่จะทํนานำกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จ ะ, ะเผชิญหน้าอันนี้คือควา ม, ลามกล้าตรงนี้ ค่ะสติก็จะตามมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นในที่สุดและตรงนี้คุณโยมตียวมาสรุปให้เลยว่าถ้าเรามีจุดนี้นะตัณหาที่มันจะเกิดตรงนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นของที่รักที่น่าพอใจก็ตามสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีตัณหาจะเกิดเหรอละได้ตรงนั้นตัณหาจะตั้งอยู่เหรอสละได้ตรงนั้นนี่สาคัญค่ะตรงนั้นตรงนั้น ตรงไหนตรงที่เรามีผัสสะนั่นแหละผัสสเกิดตรงไหนลักตรงนั้นฟันมันตรงนั้นจัดการมันตรงนั้นด้วยอะไรด้วยพลานี่เองท่านคะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ท่านกําลังพูดอยู่ในขณะเนี้จะไปพูดเยอะเมื่อวันที่ผ่านมารบกวนท่านรวมเป็นเรื่องเดียวสรุปสุดท้ายนี่เลยได้ไหมคะก็คือการที่เราเนี่ยจะสามารถในที่จะเดินหน้าไปในทางธรรมะได้ไม่ได้ถูกกระแสของตัณหาพัดท่วมทับถาถม ให้เราพ่ายแพ้ไปในทางสิ่งที่เป็นอกุศลแต่เราจะเดินหน้าต่อสู้กับสิ่งที่เป็นตัญหาละมันได้ก็ด้วยกําลังจิตที่เราจะต้องมีกําลังจิตในที่นี้ก็คือพละหนั่นเองได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาัะจะเป็นเครื่องเป็นอาวุธและเป็นเครื่องป้องกันที่จะทําให้เราเดินต่อสู้ในกระแสะของตัญหาที่ตอนนี้มันรุนแรงมากนะ่ะมาทางโทรศัพท์มือถือด้วยทางอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ที่วิ่งใะต่างๆมาหมดเราจะเดินหน้าสู้ต่อไปในทางธรรมได้ ด้วยความสบายสบายด้วยความที่ไม่ลําบากด้วยความที่จิตนั้นเป็นจิตที่เบาน่ะก็ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตรงนี้นะเริ่มจากศรัทธานั่นเองนะมีเราก็ปลูกฝังน่ะมีให้มันถูกถ้ามีระดับที่ยังไม่เกษมแล้วก็เปลี่ยนเป็นระดับที่ให้มันเกษมให้มันดีขึ้นนั่นคือในพระบุทรพระธรรมพระสงค์นั่นเองน่ะเราก็จะก้าวหน้าไปตรงนี้ได้นั่นเองนะคะที่เกิดกับที่ดับคือที่เดียวกันอยู่ที่ว่า จะมีกำลังมากเพียงพอหรือเปล่าและวันนี้ไม่ต้องไปเข้ายิมที่ไหนเลยนะคะนี่เป็นการฝึกกำลังแบบพระพุทธเจ้าใช่ด้วยการให้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาฉันอยากย้ำเพราะว่าสำหรับคนที่ไม่เคยฟังมาก่อนเนี่ยถ้าได้ไปในคราวเดียวไม่สงสัยนำไปปฏิบัติต่อเลยก็คงจะดีก็คงจะต้องร่ำลาท่านฟังที่เคารพทุกท่านไปด้วยการกราบนม ก, การขอบพระคุณ ท่านภบูร์ที่ให้ปัญญาพวกเราได้เจริญก้าวหน้าในทางธรรมหรือว่าได้เห็นหนทางที่จะทำให้เรากล้าและมีกําลังใจท่จะเดินปฏิบัติกันต่อไปกลับมาบูษการท่านเป็นอย่างสูงค่ะเชิญบานท่านฟังที่ครบคะพระมหาภับูร์พิปุโ น, โนนะคะวัดป่าดอนหายศูนดรนธานีเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่วัดของท่านจะมีการสอนปฏิบัติธรรมซึ่งสําหรับเดือนมกราคมท่านบอกว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องเตรียมตัวเยอะหน่อยนั่นเองกอ็รู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะที่ได้เมตตาเจดเวลาที่จะต้องใช้ในการเตรียมตัวนั้นมาให้กับพวกเราทุกคนดิฉันสัรสนีนาผพงนะคะรายการนี้สัรสนีสนทนาและสถานีวิทยุแห่งนี้วิทยุครอบครัวข่าว fm 1 0 6นะคะจะามาพบกับท่านใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับรายการนี้มีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รคะแต่ว่าส่วนที่ดี่ทนจัดร่วมกับพระอาจารย์ก็จะเป็นวันพระหัสวัสดีกับวันศุกร์นะคะวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ผูท้ทวีตสวัสดีค่ะ